ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงทําไมจึงทรงสั่งสอนให้ทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมทําไมจึงทรงสั่งสอนให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะคำสอนเหล่านี้มีคนมีประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเรานั่นเองจิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญเท่ากับจิตใจของพวกเรา พวกเราจึงต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าพวกเราต้องการที่จะมีความสุขต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสามประการนี้ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ได้มาตัดสรุปและได้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็จะทรงสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์เพราะว่าการกระทำบาปทั้งปวงนี้เป็นโทษต่อจิตใจ เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องมีการละการกระทำบาปทั้งปวงใครนั่งเฉยเฉยไม่ได้ก็ไปที่อื่นนะเราต้องละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะบาปนี้ จะทำให้ใจเราทุกข์จะให้จะทำให้ใจเราเดือดร้อนจะทำให้เราต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่เราตายไปแล้วคือเราจะต้องไปเกิดเป็นเดลฉานถ้าเราไม่รู้ว่าการกระทำบาปนี้มีโทษกับเราถ้าเราทำบาปด้วยความโลภ เราก็จะไปเป็นเปรตถ้าเราทําบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าเราทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเราก็จะไปตกนรกนี่คือเหตุที่จะทําให้จิตใจของเรา ต้องไปประสบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆถ้าเราละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงได้เราก็จะไม่ต้องไปพบกับความทุกข์เหล่านี้เราจึงต้องมาศึกษาว่าบาปนี้มีอะไรบ้างบาปก็คือการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นบาปที่เราต้องละเว้นการละเว้นการกระทำบาปก็คือเราต้องรักษาศี่ห้ากันการจะรักษาศี่ห้าได้ เราก็จะต้องละเว้นอบายามุกด้วยเพราะอบายามุกนี้จะเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องไปทำบาปอบายามุกก็คือการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดู ของลเล่นต่างๆการคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกลียดคร้านนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้สงสอนให้สัตว์โลกที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้ละเว้น จากการกระทำเหล่านี้ถ้าละเว้นได้แล้วความทุกข์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมานี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงอาบายามุกนี้ เป็นสิ่งที่จะมาดูดเอาทรัพยากรเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราให้หมดไปแล้วพอมันหมดเราก็จะต้องไปทําบาปเพื่อที่จะหาสิ่งหาทรัพยากรมาใช้ต่อเช่นเล่นการพนันนี้ ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนแล้วเล่นไปไเรื่อยๆในที่สุดก็จะต้องเสียหมดคนที่เล่นการพ น, น, นันนี้มักจะหมดเนื้อหมดตัวหมดเงินทองหมดทรัพย์สินหมดอะไรทุกอย่างท่าน แสดงไว้ว่าขโมยขึ้นบ้านนี้ก็เอาแต่ทรัพย์สินไปได้เท่านั้นไฟไหม้บ้านก็ได้แต่ไหม้บ้านเท่านั้นแต่ที่ดินยังไหม้ไม่ได้แต่ผู้ที่เล่นการพ น, นันการเล่นการพ น, น, นันนี้จะสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมด เวลาไม่มีเงินทองจะเล่นก็ต้องขายทรัพย์สินขายทรัพย์สินหมดก็ขายบ้านขายที่ดินเพื่อที่จะมาเล่นการพนันต่อในที่สุดก็จะหมดเนื้อหมดตัวและจะอาจจะถึงกับเสียชีวิตไปด้วยถ้าไปกู้หนี้ยืมสินจากผู้มีอิทธิพล แล้วพอไม่สามารถที่จะใช้หนี้ให้กับเขาได้เขาก็จะม า, าทำร้ายร่างกายอาจจะฆ่าตายไปเลยก็ได้ถ้าไม่สามารถจ่ายนี่สินให้กับเขาไดาา้นี่คือเรื่องของอบายมุขเช่นการพนัน พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละอบายามุกอย่าเล่นการพนันเงินหมดถ้าเล่นหมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปยืมเงนินพอยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เขาก็เท่ากับลักทรัพย์หรือเท่ากับหลอกลวงแล้วพอจะยืมต่อไปก็ยืมไม่ได้ก็จะไปลักทรัพย์ต่อไปปล้นไปจี้เพื่อที่จะได้เอา ซับเอาเงินมาเล่นการพนันต่อนี่คืออบายมุกอบายแปลว่าที่ที่อยู่ของผู้กระทำบาปมุกก็คือทางเข้าหรือถวาวรอบายมุกก็คือทางเข้าสู่อบายผู้ใดที่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการกระทำบาปขึ้นมาเพราะอบายยมลุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเช่นเล่นการพนันเล่นหรเดิมโรายาเมาหรื อ, อยาเสพติดต่างๆเดิมแล้วก็จะทำให้ไม่มีสติประครับประคองใจ เวลาจะพูดจะทำอะไรก็ยับยั้งไม่ได้ถ้าจะไปพูดกระทำบาปก็จะยับยั้งไม่ได้สุรายาเมานี้ก็จะทำให้หมึนเมาและจะไม่สามารถที่จะไปทำงานทำการได้ตามปกติถ้าดื่มจนติด ก็จะตกงานไม่มีงานทําก็จะไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายก็ต้องไปทําบาปเพื่อที่จะได้เอารายได้มาใช้ใจ่ายเช่นเดียวกับการเที่ยวเล่นต่างๆการไปเที่ยวดูมหาสิศว์บรรเทิงการไป เที่ยวกลางคืนมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถ้าเที่ยวบ่อยๆเที่ยวจนติดก็ จ, จะใช้เงินทองมากกว่าที่จะหามาได้เงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปกระทำบาปไปช่ อ, อกโกงช่อล า, าดบังหลวงคอร์รัปชันเพื่อที่จะได้ มีเงินมาใช้ใจ่ายตามความอยากของตนคบคนไม่ดีคบคนง่อก็คือคนที่ไม่รู้ว่าบาปและอบายมุขนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจถ้าคบกับคนไม่ดีคนง่อคนที่ชอบทําบาปชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปทําบาปชวนเราไปเส่อบายมุข และความเกลียดคร้า น, นี้ก็ไม่มีคนมีประโยชน์ไม่สามารถผลิตรายได้จากความเกลียดคร้านถ้าคบกับคนเกลียดครานเขาก็จะชวนให้เราเกลียดครานแทนที่จะชวนเราไปทำมาหากินหาเงินหาทองก็จะชวนเราไปเที่ยวไปใช้จ่ายเงินทองคนที่มีความเกลียดคร้า น, นี้ไม่ชอบทำงานไม่ชอบหาเงิน ชอบเที่ยวชอบใช้เงินถ้ามีแต่ใช้ไม่มีแต่ไม่มีหาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้หาเองไม่ได้ก็ต้องไปขโมยไปช่อโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมานี่นี่คือการกระทำบาปต่างๆเริ่มต้นที่อบายมุก ถ้าไม่เสพอบายามุกได้โอกาสที่จะทำบาปนี้มันยากมีน้อยถ้าไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยจะมีสติรู้ตัวอยู่เวลาจะทำบาปก็จะยับยั้งได้แต่ถ้าไม่มีสติดื่มสุรามึนเมาคิดอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความคิดทันที ดังนั้นถ้าพวกเราไม่อยากจะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำกันคือให้ละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงละเว้นจากการเสพอบายมุกทั้งหลายแล้วความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้บาปในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกสถานที่เหล่านี้พวกเราอาจจะมองไม่เห็นกันเพราะพวกเรายังมีความโง่เขลาเบาปัญญาคือโมหะอาวิชชาครอบงำปกปิด ใจของเราทําให้พวกเรามองไม่เห็นใจของเราเองผู้ที่จะไปเกิดในอบายทําให้เรามองไม่เห็นอบายไม่รู้ว่าอบายนี้มีจริงหรือไม่ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายเราตายไปแล้วเรายังต้องไปรับผลบาปต่อไป ถ้าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะไม่เชื่อเรื่องของบาปเรื่องของผลของบาปคือบ่ายเพราะเราจะคิดว่าพอร่างกายตายไปร่างกายก็เผาถูกเผากลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใครละ่ะจะไปรับผลบาปต่อไปออถ้าจะรับผลบาปก็รับแต่เฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น และผลบาปที่ในขณะมีชีวิตอยู่ก็สามารถแก้ได้เปลี่ยนได้การได้ถ้ามีเงินทองทำผิดกฎหมายมีเงินทองก็สามารถที่จะทำให้คดีหลุดได้หรือถ้าหลุดไม่ได้มีเงินทองก็หนีไปอยู่ที่อื่นได้ถ้าคิดว่าร่างกายนี้เป็นผู้กระทาบาป และเป็นผู้รับผลบาป ก, ก็จะไม่กลัวบาปกันไม่กลัวผลของการกระทําบาปเพราะไม่เชื่อว่ามีมีก็สามารถกันได้แก้ได้แก้ด้วยการทําบาปเพิ่มขึ้นหางเงินไว้เยอะๆมีเงินทองไว้เยอะๆเวลาถูกจับก็ใช้เงินทองนี้แก้ได้แก้ไม่ได้ก็ใช้เงินทองนี้หลบไปอยู่ ที่อื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราตายไปพร้อมกับร่างกายเรื่องการกลัวบาปนี้ก็จะไม่มีเราจะไม่กลัวกันเราคิดว่าเราแก้บาปได้ป้องกันบาปได้ขอให้มีเงินเยอะๆก็แล้วกันขอให้มีเงินมีอำนาจสะอย่างถ้าเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่มีใคร กล้าที่จะมาจับไปลงโทษก็จะต้องทำบาปมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินมีอำนาจเพื่อที่จะได้ป้องกันการกระทาผิดของตนไม่ให้ถูกไปจับไปลงโทษถ้าคิดว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายก็สามารถที่จ ะ, ะไม่ต้องไปรับโทษได้ ถ้ามีความสามารถในการหาเงินหาอํานาจไว้มาป้องกันตนก <c oughs> ็จะมุ่งไปสู่การทำบาปเพื่อหาเงินหาอํานาจเพื่อที่จะได้มาป้องกันตนเองไม่ให้ถูกไปไม่ให้ไปถูกลงโทษถูกไปจับลงโทษก <c oughs> ็จะไม่กลัวการกระทำบาปเพราะจะคิดว่าการกระทำบาปนี้เป็น การป้องกันตัวเองอนี่มันเป็นอวิชชาโมหะความหลงผิดถ้าไปคิดว่าร่างกายเป็นตนเองนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายตามความรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรงตัดทรงตัดสรู้ความจริงที่พวกเราไม่รู้กันไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย ไม่รู้ว่าเราเป็นใจผู้เป็นเจ้านายของร่างกายอีกทีหนึ่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นเหมือนคนขับรถส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์นี้จะไปไหนมาไหนต้องมีคนขับถึงจะไปได้เวลาที่รถยนต์ไปชนคนตาย เขาไม่จับรถยนต์ไปเข้าคุกเข้าตารางเขาจับคนขับไปเข้าคุกเข้าตารางกฎแห่งกรรมก็เป็นแบบนี้เวลาร่างกายไปทำบาปเนี่ยเขาไม่เอาร่างกายไปอบายกฎแห่งกรรมจะเอาคนขับคือใจผู้สั่งให้ร่างกายกระทำบาปนี้ไปใช้กรรมในอบายต่อไปอบายพวกเราก็มองไม่เห็น เพราะอบายมันเป็นสถานไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเองยกเว้นภพของเดลฉ า, านที่อยู่ในโลกนี้แต่ภพของเปรตภพของอสุรกายภพของนโรกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกทิพที่ใจของพวกเรานี้อยู่กันในขณะนี้ใจของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ ใจของพวกเรามาเชื่อมต่อกับร่างกายนี้เท่านั้นเองตัวใจจริงๆตัวของพวกเราจริงๆคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในโลกกรธาตุผู้ที่อยู่ในโลกกรธาตุคือร่างกายร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยากจะ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ยินเสียงได้ลิ้มรส ด, ดบกลิ่นได้สัมผัสความร้อนเย็นความนุ่มความแข็งผ่านทางร่างกายใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่โลกที่แต่ส่งกระแส วิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกร่นกายเหมือนกับคนขับไม่ได้อยู่ในรถยนต์คนขับไม่ได้เป็นเครื่องจักรไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ม ไ, นตนตไม่ได้เหมือนกับร่างกายไม่ได้ใจไม่ได้เป็นสมองไม่ได้เป็นตับเป็นไตเป็นปอดใจใจเป็นเพียงผู้ขับร่างกายอันนี้คนขับรถยนต์ก็เป็นเพียงผู้ขับรถยนต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุและทรงรู้ว่าใจนี้แหละที่จะต้องกลายเป็นเดลัฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นอสุรกายกลายเป็นนรกด้วยการกระทำบาปของตนเองทำบาปด้วยความไม่รู้ทำบาปด้วยความหลงทำบาปเพราะคิดว่าจำเป็นจะต้องทำเพราะเป็นการเลี้ยงชีพ ต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพก็เป็นสันดานของสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อเพื่อเลี้ยงชีพเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปเขาไม่รู้ว่ามีผลทําให้เขาต้องมาเป็นเดรัจฉานเขาก็ทำไปตามความจำเป็นของเขาเพื่อให้เขาอยู่รอด การกระทำบาปเพื่อให้ตนเองอยู่รอดอันนี้ก็จะทำให้เป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากจะได้อะไรมากๆอยากจะมีอะไรมากๆอันนี้ก็จะทำให้เป็นเปรตเปรตนี้ไม่ว่าจะได้มากน้อยเพียงไรจะไม่มีความอิ่มไม่มีความพอเพราะความโลภมันจะทำให้ หิวไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆได้คืบก็ไม่พอต้องได้สอกได้สอกก็ไม่พอต้องได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอนี่คือความโลภทาให้เปรตนี้ดวงใจที่มีความโลภนี้เป็นเปรตที่มีแต่ความหิวโหยมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพอส่วน ผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวผู้อื่นเขาจะมาทำร้ายเรากลัวงูเจองูก็ฆ่า ง, งูกลัวมแมลงก็ฆ่าแมลงกลัวอะไรที่คิดว่าจะมาทำหลายตนก็จะฆ่าเขาทันทีทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายทำบาปเพราะอาฆาตพยาบาทเครียดแค้งกอดเกลียด ก็จะไปนรกเพราะความโกรธเกลียดเครียดแค้นนี้เป็นไฟนรกดีๆนี่เองเวลาที่เรามีความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่ใจจะร้อนจะลุกขึ้นมาเป็นไฟจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละคืออบายไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราเอง ใจของพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อย่าไปหานรกหาอบายในโลกนี้หาอย่างไงก็ไม่เจอต่อให้ขุดลงไปในดินลึกขนาดไหนก็จะไม่เจอนรกต่อให้เข้าไปในน้ำดำไปในน้ำลึกขนาดไหนก็จะไม่มีเจอนรกเจอบายเพราะนรกนี้อบายนี้มันอยู่ในใจของเรา เป็นสภาพจิตใจสภาพจิตใจที่ถูกรุมร้อมด้วยความทุกชนิดต่างๆทุกเพราะความหลงทุกเพราะความโลภทุกเพราะความกลัวทุกเพราะความอาฆาตพยาบาทถ้าเราไม่กระทำบาปได้ความทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดมีในใจของเรา ใจของเราก็จะเป็นปกติเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี้เป็นเป็นใจที่ไม่ได้ทำบาปแต่ก็ไม่ได้ทำบุญเป็นใจที่อยู่ตรงกลางระหว่างบุญกับบาปเวลาที่ใจของเรานั้นมีบุญกับบาปเท่ากันเราก็มาเป็นมนุษย์กัน เพราะบาปไม่มีกำลังพอที่จะดึงให้เราไปอบายได้บุญก็ไม่มีกำลังพอที่จะดึงเราไปสวรรค์ได้เราก็เลยมาเป็นมนุษย์กันช่วงที่เป็นมนุษย์เราก็มาทำบุญทำบาปกันพอเวลาที่ร่างกายตายไปบุญกับบาปก็จะมาแย่งใจไป ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะดึงไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะดึงไปอบายเดึงไปรับโทษถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ดึงให้ไปรับรางวัลพาพาไปเที่ยวสวรรค์คือสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนบริษัทที่เวลาสิ้นปีถ้ามีกําไรก็จะให้ โบนัสกับลูกจ้างไปเที่ยวกันบุญก็เป็นเหมือนโบนัสบาปก็เป็นเหมือนหนี้ที่เราต้องไปใช้อถ้าบริษัทขาดทุนบริษัทอาจจะตัดโบนัสอาจจะลดเงินเดือนเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้ <c oughs> นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราละเว้นจากการกระทาบาปทั้งปวง ถ้าเราละเว้นได้แล้วใจของเราจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆจะไม่ต้องมาทุกข์เพราะเราไม่ได้กระทำบาปห้าข้อไม่เสพอบายมุกต่างๆนี่คือคำสอนข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ก็จะสอนเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน การตัดสู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตัดสู้เรื่องของใจนี้เองรู้ว่าใจนี้เป็นผู้ที่ไปทําบาปทําบุญรู้ว่าใจนี้เป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปรับผลบุญผลบาปต่างๆจึงมาสอนให้พวกเราอย่าทําบาปถ้าเรายัางเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ถ้าเราไม่ทําบาปนี้ตายไปเราไม่ไปอาบาย ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะเป็นมนุษย์ต่อไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราได้ทำบุญมากกว่าบาบุญก็จะพาเราไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่จึงนำมาที่คำสอนข้อที่สองที่ทรงสอนว่าให้พวกเราทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญให้มากๆา แล้วบุญนี้จะมีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำเวลาตายไปบุญนี้จะดึงเราไปรับผลบุญก่อนแล้วพอผลบุญพอบุญมีกำลังเท่ากับบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พยายามทำบุญแล้วพยายามละบาปบาปก็จะไม่มีกำลังที่จะดึงเราให้ไปเกิดในอบายได้ แต่เรายังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแต่อย่างน้อยการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้จะอยู่ในภพที่มีความสุขมากกว่าภพที่มีความทุกข์เือเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็ไปสวรรค์ถ้าเราทาบุญมากกว่าเราทาบาป พอกลับมาจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทําบุญให้มากกว่าทําบาปไปเราก็ยังจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปใช้กรรมในอบายแต่ถ้าเราเบื่อกับการที่จะต้องกลับมาเกิดเมื่อแก่เมื่อเจ็บมาตายมาทําบุญมาละบาปพระพุทธเจ้าก็สอนคําสอน ชนิดที่สที่เบาะที่สอนให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราจะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้เราจะยุติการไปรับผลบุญผลบาปได้นี่คือคำสอนข้อที่สามข้อที่หนึ่งให้ละเว้นจากการกระทําบาปทั้งปวง ข้อที่สองให้ทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นเราจึงต้องมาทำบุญกันมาละบา ก, กันบุญที่เราทำกันเป็น ป, ก, ปกติก็คือการทำทานทำทานแบ่งปันเสียสละเรามีข้าวของเงินทอง เหลือกินเหลือใช้มากกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาทำเป็นบุญดีกว่าเพราะบุญนี้เราเอาไปได้บุญนี่แหละที่จะพาให้เราไปสวรรค์กันไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันทำบุญมากก็จะไปสวรรค์ที่สูงมากทำบุญน้อยก็ไปสวรรค์ที่ไม่สูง สวรรค์นี้ก็เป็นเหมือนโรงแรมมีระดับดาวหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวทำบุญมากก็เหมือนกับมีเงินมากเงินมากก็ไปอยู่โรงแรมห้าดาวได้เงินน้อยก็ต้องอยู่เงินโรงแรมที่ดาวน้อยอาจจะอยู่แค่ได้ดาวเดียวการบริการของโรงแรมหนึ่งดาวกับห้าดาวก็ไม่เหมือนกัน ความสุขที่ได้รับจากโรงแรมห้าดาวกับหนึ่งดาวก็ไม่เหมือนกันชั้นใดสวรรค์ชั้นต่างๆก็มีความสุขมากน้อยต่างกันไปทําบุญมากก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงมากทําบุญน้อยก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่ำดังนั้นเราต้องพยายามทําบุญกันให้มากๆนอกจากการแบ่งปันข้าวของเงินทองแล้วเรายัง สามารถทำบุญทากุศลในรูปแบบอื่นได้เพิ่มอีกเช่นอุทิศบุญเราทำบุญแล้วเราอยากจะได้บุญเพิ่มก็ให้เราอุทิศบุญที่เราทำนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเราก็จะได้บุญเพิ่มเวลาผู้อื่นเขาไปทำบุญเราไปไม่ได้เราก็อนุโมทนาบุญฝากเงินไปทำบุญด้วย เราก็จะได้บุญเพิ่มอนุโมทนาบุญไปกับเขาใครจะไปทอดผ้าป่าทอดกรถินเราไม่ว่างติดธุระต้องไปเที่ยวหรือไปทํางานออใจา ย, ยังใฝ่บุญอยู่ก็แบ่งเงินฝากเขาไปทําบุญด้วยเราก็จะได้บุญบุญที่เกิดจากอ น, อนุโมทนาบุญถ้าเราไม่มีเงินเรายัางสามารถหา สร้างบุญได้ด้วยการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเวลามีใครเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือทางทางแรงงานเราก็เอาแรงกายของเรานี้ไปช่วยทำงานช่วยมูลนิธิต่ตางๆกู้ภัยทำสาธารณประโยชน์ต่างๆไปวัดก็ไปช่วยกันทำความสะอาดเห็นห้องน้ำาสกประปกก็ช่วยกันล้าง เห็นสถานที่สงกระบอกก็ช่วยกันกวาดช่วยกันเช็ดช่วยกันถูอันนี้ก็เป็นการกระทําบุญทํากุศลให้ถึงพร้อมบุญก็จ ะ, จะก็จะมีบุญเพิ่มขึ้นไปมากมากบุญอีกชนิดหนึ่งก็คือการทําตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะอันนี้ก็จะทําให้มีบุญเพิ่มขึ้นี นอกจากนั้นก็ยังบุญที่เกิดจากการมาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้บุญบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงก็จะทำให้เรากลัวบาปจะทำให้เรารักการกระทําบุญบุญที่เกิดจากการาให้ธรรมะแก่ผู้อื่น เช่นเรามาช่วยกันพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆแจกอันนี้ก็เป็นการทาบุญหรือถ้าเรามีธรรมะใครทุกข์ใครเดือดร้อนก็สอนธรรมะให้กับเขาทำให้เขาดับความทุกข์ภายในใจของเขาได้อันนี้ก็เป็นบุญกับเรานี่คือบุญต่างๆที่เราควรที่จะทำกันให้มากๆเพื่อที่เวลาเราตายไปบุญจะได้มีกำลังมากกว่าบาป เราจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปในอบายแต่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากจะกลับมารับผลบุญผลบาปเราก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้มีสิ่งที่จะดึงให้ใจเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอะไรคือสิ่งที่ทำให้ใจเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี้เองที่เราจะต้องชำระกําจัดออกไปกิเลสตัณหาโมหะอวิชา oh นี้เป็นเหมือนคราบสกรปรกที่ติดในเสื้อผ้าของเราเวลาที่เราจะกําจัดคราบสกรปรกเหล่านี้เราก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปซักแล้วก็ต้องใช้ผงซักฟอกที่มีพลังมากกว่าคราบสกรปรกถึงจะสามารถชําระ เสื้อผ้าให้สะอาดได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนเสื้อผ้าการที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราต้องมีเครื่องซักฟอกใจเครื่องซักฟอกใจก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือศีลกับภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองขั้นขั้นสมาธิกับขั้นปัญญาขั้นสมาธิก็เรียกว่าสมถภ า, ภาวนา ขั้นปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการจะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนถ้ายังรักษาศีลแปดขึ้นไปไม่ได้นี่จะไม่สามารถไปภาวนาได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะจะไม่มีเวลาพอที่จะไปภาวนาเพราะมัวแต่เอาเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ศีลแปดห้ามไม่ให้ไปกระทํำ เท่นไปร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าถือศีลแปก็จะไม่สามารถไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้เวลาที่จะเอาไปใช้ร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะได้เอาไปใช้กับการภาวนาผู้ที่จะภาวนาจึงต้องถือศีลแปดกันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาจากกิจกรรมต่างๆที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ในการชําระจิตใจ คุประโยชน์ที่จะเกิดจากการชำระจิตใจต้องเอาเวลามาภาวนามาเจริญสมถะภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นถึงจะสามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ศีลตัวศีลเองก็ไม่สามารถที่จะซักพอกจิตใจได้ศีลเพียงแต่ทำหน้าที่ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบังคับให้เราไปทำกิจกรรมอย่างเดียวคือการภาวนา เพราะว่าถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ไปรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ไปกินเลี้ยงไปงานแต่งงานงานอะไรต่างๆที่เขาเลี้ยงกันในเวลาค่าคืนได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามได้ นอนก็นอนได้นะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ถ้านอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงใหญ่ๆเพราะมันสบายมันก็จะนอนมากแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะต้องลุกขึ้นมาภาวนาโดยปริยายนี่คือหน้าที่ของศีลแปดศีลของนักปวด ผู้ที่จะมาภาวานานี้ถือว่าเป็นนักบวชถ้าอยากจะภาวานาได้ผลนี้ต้องถือศีลแปดกันแล้วต้องทำแต่ภาวานาเพียงอย่างเดียวไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเวลามาภาวานาก็ไม่ไปนั่งคุกคีกันไม่ไปนั่งคุยกันไม่นั่งทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเช่นนั่งดื่มน้ำชากาแฟนั่งวิภาควิจาราบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าภาวนาแล้วต้องปลีกวิวเวกต้องอยู่กันตามลาพังแยกกันอยู่เพื่อที่จะได้เจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเพราะการที่จะเจริญส ม, มะถะภาวนาทําใจให้สงบได้นี้จําเป็นที่จะต้องอมีสถานที่สงบสงัดวิวเวกไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปคิดนั่นเอง ถ้าใจคิดแล้วใจจะไม่มีวันที่จะสงบได้แล้วถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆดึงไปสติก็จะไม่มีกำลังดึงกลับมาได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวนี้จะไม่มีเหตุการณ์อะไรดึงไปถ้าถ้าจะไปก็ดึงกลับมาได้ง่ายกว่าผู้ที่จะบำเพ็ญสมถะ ภ, ภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานี้จําเป็นที่จะต้องยึปลีกวิเวก อยู่คนเดียวไม่คุกคีกันแล้วก็ต้องอมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายถึงแม้จะไปอยู่คนเดียวแล้วก็อย่าเอาเพื่อนคือมือถือมาด้วยพอปเปิดมือถือมันก็ตาหูจมูกมันก็ไม่ได้สำรวมมันก็เปิดกว้างไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ทำให้คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อย ก็จะไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้ผู้ที่ต้องการที่จะภาวนาให้จิตสงบนี้ต้องปิดหมดปิดตาหูจมูกลิ้นกายปิดทีวีปิดวิทยุปิดโทรศัพท์ปิดสิ่งต่างๆที่จะมาดึงตาหูจมูกลิ้นกายของเราให้ไปหามันก็เรียกว่าปิดทวารทั้งห้าสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ่นกาย ผู้ที่จะบําเพ็ญภาวนาต้องรู้จักการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายปิดวิเวกให้อยู่ห่างไกยจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปเอารูปสเสียงกลิ่นรสมาเสพเป็นอันขาดเพราะจะไม่มีวันที่จะทําใจให้สงบได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นนิวร์เป็นกามรรคฐานะเป็นความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่เอง จึงต้องใช้การสัวมตาหูจมลูกเิ้นกายเพื่อกำจัดนิวรคือตาคือคือความอยากเสพลูกเสียงเกลิ่นลดต่างๆนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานเพื่ออยู่ให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่ารับประทานมากถึงแม้ว่าจะไม่รับประทานมื้อเย็นก็ตามก็ยังสามารถรับประทานได้มากอยู่ การรับประทานตั้งแต่เช้าถึงเที่ยมนี่รับประทานให้ท่านชอบรับประทานมากๆาก็จะเป็นปัญหาเวลาภาวนานมันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจอย่างต้องรู้จักประมาณารรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานเพื่ออยู่รับประทานเพื่อดับความหิวก็พอไม่ต้องให้มันอิ่มพอมันหิวพอมันหายหิวก็หยุดรับประทาน อย่าไปรับประทานให้มันอิ่มจนแน่นท้องอพอตอนต้นรับประทานรู้สึกว่าหิวก็รับประทานไปพอความหิวรุ้สึกว่ามันหายไปก็หยุดอย่าไปรับประทานจนกระทั่งมันอิ่มพอหายหิวแล้วก็หยุดแล้วก็เดิมน้าเข้าไปแทนแล้วก็จะอิ่มด้วยน้ำถ้าอิ่มด้วยน้ามันก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะมันอิ่มเดียวเดียว เดี๋ยวเวลาปัจสวะออกมามันก็หายหิวลว้หายอิ่มนะมันจะไม่ทําให้ง่วงนอนมันจะไม่ทําให้เกียจค้านจะทําให้การภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนี้คือสิ่งที่ผู้จะบําเพ็ญภาวนานี่ต้องต้องมีคือหนึ่งต้องมีศีลสังวรศีลแปด อินรีสังวรสำรวมตาหูจมูกเล้นกายเปรกวิเวกไม่คลุกคลีกันรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารและข้อสุดท้ายต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่เตืนจนหลับลืมตาขึ้นมาก็ต้องพุทโธเลยเหมือนกับนักมวยพอขึ้นเวทีก็ต่อยเลยอย่าไปยืนให้เขาต่อยเดี๋ยวจะถูกน็อก เราต้องลุกอย่าไปตั้งรับพอเตื่นขึ้นมาก็พุทโธเลยอย่าไปรอให้มันคิดก่อนแล้วค่อยใช้พุทโธจะไม่ทันมันเดี๋ยวจะถูกมันน็อกซะก่อนเดี๋ยวมันจะหลอกให้คิดไปเรือเ่อยเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวงั้นพอลืมตาขึ้นมาปั๊บต้องรู้หน้าที่ของเร า, าหน้าที่ของเราก็คือพุทโธพุทโธพุทโธใส่ไว้เลยก่อนจะลุกจากเตียงก็พุทโธแล้ว ลุกขึ้นมายืนกับพุทโธเดินไปกับพุทโธไปทำกิจในห้องน้ากบพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดอะไร í, ถ้าไม่ใช้พทุทโธก็ใช้ร่างกายแทนพุทโธเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่อยู่กับมันไปอยู่กับการกระทำของร่างกายไปอย่าปล่อยให้มันไปที่อื่นอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ Avengers. ถ้าสามารถมีสติได้อย่างต่อเนื่องพอเราไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรเราก็มานั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วเราก็ใช้ลมหายใจเป็นที่ผูกใจต่อไปดูลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธไปถนัดดูลมหายใจก็ใช้ลมหายใจไป ดูเพื่อไม่ให้คิดพุดโทโธเพื่อไม่ให้คิดนะถ้าไม่คิดอย่างต่อเ น, นื่องไม่นานห้านาทีสิบนาทีเจ็ดก็รวมได้จิตก็สงบได้สงบแล้วก็จะมีความสุขอย่างยิ่งทําให้อความทุกข์ยากลําบากที่เกิดจากการนัถือศีลมาสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายมาปีกเว่ยเวกนี้หายไปหมดจิตก็จะมีความสุขสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงะ คือความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เวลาอยู่ในสมาธิกรมยังไม่ใช่เวลาที่จะไปเจริญปัญญาจิตสงบนี้ต้องประคองให้มันสงบไปนานๆรักษาความสงบของจิตให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ จนกว่าสติหมดกำลังสู้กำลังของตันหาความอยากไม่ได้จิตก็จะถอนออกมาออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนั้นละถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ปัญญาหรือถ้าเรายังไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นเราอยากจะฝึกสติต่อไปก็ได้ออกจากสมาธิแล้วก็มีทางเลือกสองทาง ถ้ายังไม่ชํานาญในสมาธิยังเข้าออกไม่ได้ชํานาญก็ฝึกสติต่อออกมาก็พุโทโธต่อไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายต่อไปจนกว่าเราจะมีเวลากลับมานั่งใหม่แล้วก็นั่งดึงใจให้เข้าสมาธิใหม่ทําอย่างนี้เข้าออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเกิดความชํานาญสามารถสั่งใจให้สงบได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการ แม้ไม่ได้นั่งสมาธิก็สามารถสั่งให้มันหยุดคิดได้สั่งให้มันตั้งอยู่ในความสงบได้ถ้าเรามีความชำนาญในสมาธิแล้วถ้าเราไม่ออกทางปัญญาจะถือว่าเป็นการติดสมาธิจะไม่ก้าวหน้าเพราะสมาธินี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความโลภโกรหลงอวิชชาโมหะให้หมดไปจากใจได้สมาธิเพียงแต่กดมันไว้เท่านั้นเองมันไม่ได้ตายด้วยสมาธิ โลหะอาวิชากิเลสตัณหามันจะตายต้องตายด้วยปัญญาดัางนั้นถ้าเราไปติดสมาธิไม่ออกทางปัญญาเราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิที่ชํานาญยังไม่ถือว่าเป็นการติดสมาธิต้องฝึกสมาธิต่อไปให้ชํานาญก่อนเหมือนคนที่หัดขับรถที่ยังหัดขับรถไม่ชํานาญอย่าเพิ่งลงสนามแข่งนะ เดี๋ยวไปชนกันตายเดี๋ยวไปเพลคคว่ำคนที่จะลงสนามแข่งรถได้นี่ต้องขับรถจนชํานาญก่อนเก่งในเรื่องของการขับรถรู้จักวิธีขับวิธีหลบวิธีหยุดวิธีอะไรต่างๆทําได้อย่างรวดเร็วทันใจสมาธิก็แบบเดียวกันจะต้องสามารถเข้าสู่สมาธิหยุดหยุดจิตหยุดใจหยุดคิดได้ทันทีที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดน อย่นี้ถึงจะเรียกว่ามีความชํานาญในสมาธิถ้ามีความชํานาญแล้วไม่ออกทางปัญญาถึงจะถือว่าติดสมาธิถ้ายังไม่ชํานาญก็ต้องฝึกสมาธิต่อไปก่อนยังไม่ถือว่าเป็นการติดสมาธินพอเราชํานาญทางสมาธิแล้วเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องพิจารณาตายลักษณ์กันพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป เ, เวลาหมดความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปงั้นก็จะสรุปให้เห็นว่าการที่เราไปหาอะไรต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศ ส, สรรเสญรูปเสียงกลิ่นรสคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนีมม้มันก็เป็นเท่ากับการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็แล้วก็จะต้องมีการสิ้นสุดมีการพัดพากจากกันไป ถ้าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอนัตตาก็คือเราไปห้ามให้มันจากเราไม่ได้ไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราถ้าเราเห็นว่ามันเราไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันทำให้เราทุกข์ได้เราไปมีมันทาไมมีความสุขที่ไม่แน่นอนจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เวลาหมดก็วุ่นวายใจเศร้า อ, อกเศร้าใจเสีย อ, อกเสียใจกันอันนี้คือปัญญาที่ต้องคอยหมันพิจารณาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่ร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะไปหวังอะไรจากมันมากก็ไม่ได้จะให้มันอยู่ไปกับเราตลอดก็ไม่ได้เพราะมันก็อ น, นิจจงเหมือนกันมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา มันเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟให้พิจารณาให้เห็นหรือถ้าเราไปวิลักษ์ไปชอบร่างกายของไข่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอสุภะมันไม่ใช่สุภะมันไม่สวยไม่งามความสวยงามมันเป็นของปลอมมันมันหลอกมันคลุมความไม่สวยงามไว้สวยงามภายนอกสวยงามที่ผิวหนังพอพอชำและผิวหนังออกมา มองก็ไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นแต่ของที่ไม่น่าดูน่าชมไม่น่ารักน่าชอบต้องพิจารณาอสุภพิจารณาเวลาที่ร่างกายมันไม่หายใจแล้วเป็นยังไงยังน่าน่านารักยังสวยยังงามอยู่หรือเปล่านี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่เราจะต้องทำกันหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วและหลังจากที่เราพิจารณาไปสักระยะ มันก็อาจจะฟุ้งขึ้นมาก็ได้ถ้ามันฟุง้งมันพิจารณาไม่ได้เหตุได้ผลก็ต้องหยุดพิจารณาพักแล้วกลับไปเข้าไปในสมาธิก่อนแสดงว่ากำลังของความสงบหมดกิเลสเริ่มออกมาเพ่นพ่านกิเลสมันก็จะมาทำให้เราคิดไปในทางที่ไม่ถูกเราก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับไปพักในสมาธิต่อ การปฏิบัตินี้จะทิ้งสมาธิไม่ได้แม้จะ อ, อยู่ในขั้นปัญญาปัญญาก็เป็นเหมือนกับการไปทํางานสมาธิก็เป็นเหมือนกันกับการพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารเวลาเราไปทํางานเราก็ทํากันอย่างเต็มที่แต่เราไม่ทำเจ็ดวันเจ็ดคืนทำยี่บสี่ชั่วโมงเราทําเป็นกะกันทําแค่แปดชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยลวหมดกําลังหมดกําลังเราก็กลับบ้านกัน ไปพักผ่อนหลับนอนไปรับประทานอาหารพอมีกําลังก็ออกไปทํางานหน่อย่เช่นเดียวกับการทํางานของจิตทางปัญญาพอทํางานแล้วเหนื่อยพิจารณาแล้วมันไม่ได้เรื่องก็ต้องหยุดกลับไปพักในสมาธิต่อเพื่อให้จิตมีพลังพอออกจากสมาธิมาก็กลับไปพิจารณาต่อต่อไปก็จะเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนต่อไปเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถ หยุดมันได้เผนมันได้พอรู้โทษว่าไปทำตามความอยากเท่ากับการไปหาความทุกข์ไปทำมันทำไมอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าแว่งเท้าไปหาเสี้ยนทำไมนั่งอยู่เฉยๆก็สบายอยู่แล้วนี่คือขั้นตอนของการภาวนาขั้นตอนแรกต้อ ง, จงเจริญสติให้ได้สมาธิก่อนพอชำนานชำนานทางสมาธิแล้วก็ออกทางปัญญา ิจารณาให้เห็นตายรักให้เห็นอสุภะให้เห็นปฏิกูลในอาหารแล้วมันจะทำให้ความอยากได้อาหารนี่น้อยลงไปหมดไปความอยากได้แฟนก็จะหมดไปความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไปตลอดมันก็จะหมดไปเพราะมันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นก็เราก็จะสามารถกาจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ให้หมดไปตามลำดับได้จนในที่สุดหมดได้อย่างหมดสิ้นไปพอกิเลสตัณหาโมหะวิชชาถูกกำจัดไปหมดก็แสดงว่าเราได้ชําระใจได้สะอาดบริสุทธิ์แล้วใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพานหรือพระาราหารันพะาระร拉หันก็คือผู้ที่มีใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือพระนิพาน ใจที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจที่มีแต่บรมสุขบรมังสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปใจของผู้บริสุทธิ์นี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนนใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ใจของพวกเราก็อยู่อยู่ในโลกทิพย์ด้วยกันแต่อยู่กันคนละแบบอยู่กันคนละภาคพระพุทธเจ้าอยู่ในภาคสุข เราอยู่ในภาคทุกอยู่ในภาคของการเวียนว่ายตายเกิดในภาคของการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่ในภาของที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราชำระใจของเราสะอบริสุทธิ์ได้เราก็จะได้ข้ามภาคข้ามภาคจากภากของวัฏฏะสงสารวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ภาคของพนานิพาน แต่ใจไม่มีศูนย์หายไปไหนใจของทุกสัตว์ทุกตัวนี้อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แบบไหนท่านนั้นเองอยู่แบบพระพุทธเจ้าหรืออยู่แบบพวกเราอยู่แบบเวียนว่ายตายเกิดหรืออยู่แบบไม่เวียนว่ายตายเกิดนะก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติตามคําสอนทั้งสารประการได้หรือเปล่าที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เรามาปฏิบัติกันคือให้ละการกระทําบาปทั้งปวง ให้ทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะถ้าเราสามารถทำทั้งสามข้อนี้ได้เต็มร้อยเราก็จะได้ข้ามฟ้าไปได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังว่าทำไมเราต้องทำบุญทำไมเราต้องละบาป ท, ทาไมเราต้องทาบุญ ทำไมเราต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปุริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทิน e ังเฟตานังอุปกปติอิช an ิตังปฏิตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยะถามณีโชติ so ระโสยะธาสภิติโยวิวัจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขัง พ า, าลขั้นเดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เราเลิกประชุมเราจะของดถามตอบปัญหาถ้าไม่อยากจะถามโดยตัวเองก็เขียนข้อความส่งขึ้นมาก็ได้แล้วจะมีคนอ่านให้ วันนี้ทางเ b o o k YouTube เข้ามาเท่าไหร่สรพระจาร์ครับวันนี้ a ฟ e b o o k เข้ามาสองร้อยสี่สิบสี่คน YouTube เข้ามาหนึ่งร้อยสี่คนผู้ติดตามทางไลน์เพิ่มขึ้นเป็นห้าพันหก้อยสิบเจ็ดคน IG มีผู้ติดตามสามคนแล้วมีข้อมูลอีกอเพิ่มจังหวัดที่มีคนรับชมเพิ่มเป็นห้าสบหกจังหวัดแล้ว มีผู้ติดตามทั่วโลกเพิ่มเป็น32ประเทศเพิ่มจังหวัดตองอีประเทศพม่าครับผมอสาธุอย่างนี้สบายไม่ต้องไปเองเขาติดตามเราทำไมก่อนพระพุทธเจ้าลำบากเนี่ยต้องเดินทางไปหาญาติโยมเพราะไม่มีวิธีติดต่อกัน หลวงตาท่านก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอุดรกับกรุงเทพนะตอนหลังสบายถ้าหลวงตายังอยู่ตอนนี้หลวงตาไม่ต้องไปไหนนล้อยู่บ้านตาานะถ้ายังไม่มีใครอยากจะถามตอนนี้จะเอาคำถามจากทางบ้านก่อนนะเจ ะ, ะการนมัสการพระเจ้าคำถามต่อไปนะคะจากบนเขา รู้สึกเบื่อโลกเบื่อผู้คนเหนื่อยและรู้สึกว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์จนมีเพื่อนบอกว่าเป็นโลกซึมเศร้ารบกวนพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะแนวทางออกจากทุกข์ด้วยค่ะคือมันมีเบื่อเบื่อสองแบบเบื่อเพราะอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจมันก็ไปเบื่อถ้าเบื่อแบบนี้มันเบื่อแบบกิเลสพอได้อะไรมาก็หายเบื่อเบื่อแบบนี้ ต้องระวังอย่าไปให้มันม า, าควบคุมบังคับใจเราต้องเบื่อด้วยปัญญาเบื่อเพราะเห็นว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีได้แล้วก็ต้องมีเสียถ้าเบื่อแบบนี้มันจะเบื่อแบบแท้จริงมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะมันเห็นความจริงเห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดแล้วก็ต้องดับมาแล้วก็ต้องไป ได้แล้วก็ต้องเสียถ้าเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้คิดหาทางออกก็จะสนใจที่จะศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะสอนวิธีออกด้วยการให้ไปโบชถ์ให้โดยการไปปฏิบัติธรรมไปหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับหาสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงและถาวร ที่จะทาให้เราไม่มีวันเบื่ออีกต่อไปอย่างนั้นถ้าเราเบื่อโลกก็ควรเช่ากหาธรรมะอย่าไปหาอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ใช่ทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความเบื่อได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีทางเดียวคือทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดงั้นเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาพระธรรมคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำเอาอไปปฏิบัติเพราะการศึกษาอย่างเดียวยังไม่พอยังไม่ได้ผลแต่ถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องศึกษาเพื่อให้รู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วความทุกข์ความเบื่อหน่ายต่างๆก็จะหายไปจากใจหมดนะความซึมเศร้าก็จะไม่มี คำถามต่อไปนะคะจากคุณเป็นอิสระภาพการที่คนเราระลึกชาติได้ว่าเคยมาจากนั้นและปัจจุบันก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แบบนี้เรียกว่าจิตนึกได้หรือจิตหลุดไปคะ อ, อ๋อเขาคนที่มีความจําดีก็จะจําได้มากคนที่มีความจําไม่ดีก็จะจําได้น้อยบางคนที่จําได้สมัยพุทธกาลนี้มีพระท่องพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าได้เนี พระไตรปดฎกนี้ที่เราได้มาในวันนี้ก็เพราะอาศัยความจำของพระที่มาบวชกันพระที่มาบวชนี้จะมีความจำดีมากเพราะท่า น, นท่านทำสมาธิเวลาทำสมาธิจิตสงบนี้ความจำต่างๆที่จำได้มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้รับรู้ในคนที่เราลึกชาติได้ต้องทำใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วก็จะลึกน่ลึกไปถึงชาติต่างๆได้ ชาติที่แล้วชาติถัดไป้ถาถัดไปว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมาจะจำได้ก็เหมือนกับเราทาเราเมื่อวานนี้ไปทำอะไรเมาาื่อวานเชิญนี่ไปทำอะไรเ <base. S 1> ดือนที่แล้วเราไปทาอะไรถ้าเรามีสมาธิ ด, ดีบางทีเราจะกลับไปถึงนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆได้ตอนที่เด็กๆ เ, เราเคยไปทำอะไรมาเคยเจอใครเคยอะไรมันจะจำได้ถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะจำไม่ได้เพราะเราจะมีแต่เรื่อง ในปัจจุบันกบเอาไว้มีแต่วุ่นวายกับเรื่องปัจจุบันเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้เรื่องสิ่งนั่นเรื่องสิ่งนี้เลยจําอะไรไม่ค่อยได้เมื่อวานเมื่อเช้านี้กินอะไรจําได้ป่าวจาไม่ได้นะต้องนั่งนึกก่อนนะเมื่อวานกินอะไรยิ่งยิ่งนึกไม่ออกใหญ่เลยเมื่อวานนี้ไปทําอะไรบ้างจําได้ป่าวอยงแต่เมื่อวานนี้แทบจะจําไม่ได้แล้วจะไปจําเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วได้ยังไง แต่ถ้ามาทําใจให้สงบนี้มันจะมันจะมันจะเอาความเรื่องราวต่างๆในปัจจุบันออกไปที่มันทับถมเรื่องเก่าเรื่องเก่าก็จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาให้เราจําได้และเลิกได้คําถามต่อไปจากคุณนวรนาชขณะที่ป่วยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะเพราะร่างกายก็ป่วยอยู่อ่ก็ เบาก็คือคนใช้เวลาคนใช้ป่วยเราทําอะไรลนะ่ะก็ปล่อยมันป่วยไปเลยห <c oughs> ายาให้มันกินไปหาหมอให้มันเราไม่ต้องไปกินไม่ได้นอนไม่หลับกับคนใช้ใช่ไหมคนใช้มันป่วยก็พานไปหาหมอหายาให้มันกินหายก็ดีไม่หายก็ตายตายก็ทําศพให้มันพอเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็ต้องคิดอย่างนี้แล้วใจเราจะได้ไม่วุ่นวายใจเราก็จะสงบสบายเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยใจไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยใจไม่มีวันตายแต่ใจหลงใจก็เลยไปทุกข์กับร่างกายเพราะไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นใจใจก็เลยอยากให้หายพอความอยากให้หายเกิดขึ้นความทรมานใจก็เลยเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากให้หายแล้วมันก็จะเฉยเฉยเหมือนกับคนคนรับใช้เขาไม่สบายเราก็ bon, ไม่ได้ไปอยากให้เขาหายาหายก็หายไม่หายก็เรื่องของเขาใช่ไหม คำถามจากคนอาร์ตผมดูคลิปที่เขาฆ่าสัตว์ครับดูแล้วรู้สึกสงสารหดหู่แต่จิตจากที่กำลังเพลินเพลินคิดอยู่มันก็จะหดมาหาตัวเองและเมื่อดูหรือคิดถึงเรื่องคลิปที่เขาฆ่าสัตว์ฆ่าหมูการกินอาหารผมไม่ได้หวังความอร่อยเลยครับกินเพื่ออิ่มอย่างเดียวครับอาการแบบนี้ควรจะคิดเรื่องที่เขาฆ่าสัตว์เรื่อยๆไหมครับเพราะดูหรือคิดเรื่องนี้ทีไร รู้สึกว่าจิตจากที่พึ่งฟุ้งซ่านอยู่มันจะหดเข้าตัวมาหาตนเองมันไม่อยากคิดไปเรื่องอื่นมันจะคิดว่าชีวิตอื่นเขานอนรอความตายวันนี้พรุ่งนี้อยู่สัตว์เขาคงไม่มาคิดนั่นคิดนี่เหมือนเราที่ไม่ได้ถูกฆ่าวันนี้พรุ่งนี้เหมือนสัตว์เขาถ้าเราคิดแล้วหดหูไม่สบายใจก็อย่าพิ่งไปคิดแต่ถ้าเราคิดแล้วใจเราสงบ ใจเราเห็นความตายรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราเตรียมตัวตายได้ก็คิดได้ถ้ายัางคิดแล้วกลัวอยู่ยังหดหูอยู่ก็ยังไม่พร้อมที่จะคิดก็ต้องไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วเวลาคิดถึงเรื่องความตายจะไม่หดหูคำถามจากคุณวันศุกร์โนเห็นข่าวบริษัทเก่าปลดพนักงาน แบบแรกรู้สึกสลดใจกับการเปลี่ยนแปลงและสงสารพนักงานที่ถูกให้ออกในสภาวะเศรษฐกิจที่แย่แต่พอคิดพิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่หลวงพ่อได้เทศสอนมาตลอดใจมันก็คลายแล้วกลับมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเข้าใจแล้วคิดว่าเราโชคดีที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมถึงได้รู้จักวิธีหักห้ามใจไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับมองพิจารณาสิ่งรอบตัวรวมทั้งร่างกายและแม้กระทั่งความคิดของเราเองว่าทันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงเตือนตัวเองว่าสิ่งที่ถูกต้องและควรทำก็คือไม่ไปสนใจกับอะไรนอกจากพยายามอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นหนูคิดถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้ว น, ะนี่แหละคือปัญญาสามาธิิ ผลที่เกิดจากการได้ศึกษาแล้วก็นำอาอกไปปฏิบัติถึงจะได้เห็นเห็นผลของธรรมะที่เราได้ศึกษามาว่ามีคุณค่ามีประโยชน์กับเราอย่างไรคำถามจากคุณสิริพรโยมมีข้อสงสัยคือเวลาที่โยมจุดเทียนถวายน้ำและผลไม้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านแต่ไม่ได้จุดธูป แต่สวดมนต์เชิญชมชุมนุมเทวดาและการกวดน้ำอุทิศบุญไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่มีเนื้อนาบุญเป็นผู้นาและการภาวนาที่บ้านจะมีผลบุญและท่านที่กล่าวจะได้รับใหม่เจ้าขาถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราอุทิศบุญไม่ได้เหมือนกับถ้าเราไม่เอาเงินไปฝากในธนาคารเราจะโอนเงินจากบัญชีไปให้คนอื่นไม่ได้ ธนาคารเขไม่โอนให้เพราะเขาบอกไม่มีเงินบุญเราอยากจะอุทิศบุญเราก็ต้องทําบุญก่อนเช่นถอยทา น, นการจุดธูปจุดเทียนการเอาของมาตั้งบูชานี้ไม่ถือว่าเป็นการทําบุญที่จะอุทิศได้ถ้าอยากจะอุทิศก็เช้าใส่บาตรใส่บาตรแล้วทำทานกับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องทํากับพระก็ได้ทํากับโรงพยาบาลทํากับโรงเรียน ทำกับผู้ยากไร้ก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันครับพอมีบุญแล้วเราก็โอนบุญได้อุทิศบุญได้คําถามจากคุณสิริพรการสวดมนตธรรมกับปวนาตนสุดตังและอื่นๆที่บ้านนี้จะมีผลบุญใหม่เจ้าคะก็มีสองลักษณะบุญจะเกิดขึ้นได้จากการสวดอยู่สองลักษณะถ้าเราสวดแต่เราไม่เข้าใจความหมายของบทที่เราสวด แต่ใจเราไม่ไปคิดเรื่องต่า ง, างๆใจเราไม่ฟุ้งซ่านก็จะได้ความสงบในระดับหนึ่งเป็นผลที่เกิดจากการสวดระงับความฟุ้งซ่านได้แต่จะไม่สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างเต็มที่ถ้าเราเข้าใจความหมายของบทที่เราสวดเราก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาเพราะบทธรรมจักกัปรปวัตตนสูตรนี้ก็เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ากําลังแสดงเรื่องอะไรในธรรมจากท่านแสดงเรื่องอริยสี่เรื่องมรรคแปดถ้าเราเข้าใจดีไม่ดีแล้วอาจจะบรรลุธรรมขึ้นมาได้เลยเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับพระอัญญาณโกนทัญญะที่ได้ฟังธรรมนี้เป็นครั้งแรกก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา คำถามจากคุณนพลการที่ตำรวจตามจับโจรให้ผู้เสียหายด้วยความเข้าอกเข้าใจเพื่อมารับโทษอย่างนี้ถือว่ามีความพยาบาทหรือเปล่าครับและถ้าผู้เสียหายทำตัวเป็นสารเตี้ยลงโทษผู้กระทำผิดตำรวจควรจะทำความรู้สึกเช่นไรกับผู้เสียหายครับเนื่องจากเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันมาคำถามนี้เกิดจากการดูละครเรื่องหนึ่งครับ ตำรวจตำรวจไปตามจับผู้ร้ายนีไม่ไม่เป็นการาคาดพยายาบัตรเป็นการทำตามหน้าที่แต่ก็อาจจะเป็นการทยายาบัตรได้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าทำแบบทำตามหน้าที่มีหน้าที่จับก็จับเขาจับได้ก็จับจับไม่ได้ก็แล้วไปแล้วถ้าเขามีการทำสารเตีย้ยก็ควรที่จะห้ามเขาเพราะว่าเขาไม่มีหน้าที่ที่จะมาเป็นผู้ตัดสินคดีความต่างๆ บ้านเมืองเรามีกฎมีกติกาบางทั้นศาลเตีย้ยนี้อาจจะไม่เป็นศาลที่ยุติธรรมก็ได้เป็นศาลที่มีอคติโกรธเกลียดใครก็ไปตัดสินว่าเขาผิดทันทีซึ่งืองที่อาจจะไปจับแพะมาแล้วก็ไปตัดสินว่าเขาผิดเนี่แล้วไปลงโทษเขามันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเขามีขือมีแปรมีกฎมีระเบียบเรามาทําตัวเป็นศาลไม่ได้ แล้วจับเขาได้แล้วก็ต้องส่งให้บ้านเมืองเขาไปจัดการตามขั้นตอนต่อไปถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เราห้ามได้ก็ควรจะห้ามถ้าห้ามไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโปรงว่าเป็นบัญการรมของคนนั้นก็แล้วกันคําถามจากคุณบูนแกรบเรียนถามครับผมทํากรรมมาเยอะตอนนี้กรรมตามสนองครับผมควรทําอย่างไรดีครับตอนนี้ผมได้แต่ฟังทำ ให้ผมใจสงบมากครับก็อย่าทํากรรมต่อไปเหมือนองคคุลิมานี่ยเพราะรู้ว่าทํากรรมมาเยอะก็หยุดทําแล้วมาทําบุญแทนมาปฏิบัติธรรมมาทําใจให้สงบตัดกิเลสได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมต่อไปเพราะจะต้องไม่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปมาแล้วเลยมี่ก็อยากจะถามไหมตอนนี้ว่าง มไม่มีเดี๋ยวพักเดี๋ยวเดี๋ยวรอคำถามใหม่กรรมที่ทาที่ตามเรามานี่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันในขณะที่มีชีวิตอยู่มันไม่มีก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีตามมาตายไปมันยังมีกรรมที่จะต้องไปชดใช้ต่อก ร, รมที่เราต้องไปชดใช้นี่มันไม่เกี่ยวกับคนที่เราไปทำร้ายเขา คนที่จะมาตามเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานี่เป็นคนละส่วนกันผลของกรรมที่เราทํานี่มันอัตโนมัติมันจะทําให้เราต้องไปอบายในสี่แห่งแห่งใดแห่งหนึ่งไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกอันนี้มันไปโดยอัตโนมัติไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาส่งเราไปส่วนเจ้ากรรมนายเวรคือคู่ที่ผู้ที่เราไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อน ถ้าเขาเจอเราเขาก็จ ะ, อะจองเวรจองกรรมกับเรามีเรื่องกับเราทำร้ายเราอะไรต่างๆค่าคำถามจากคุณนวราชการให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับทุกคนและจิตเราก็เป็นสุขในสิ่งที่เราทำเป็นบุญใหม่เจ้าค้าโดยไม่ได้ใช้เงินแต่ใช้ใจและกายของเราแต่บางครั้งพอเราให้ก็ยังมีบ้าง ที่ผู้รับทําจิตเดาหมองบ้างซึ่งเรารู้ว่าอย่างนี้เป็นการฝึกและได้บุญหมาเจ้าคะถ้าเราทําแล้วจิตเรามีความสุขก็ได้บุญถ้าจิตเราเศร้าหมองก็ไม่ได้บุญเพราะเรามีอคติให้แล้วอาจอยากจะได้ผลตอบแทนให้แล้วเขาไม่ตอบแทนเราเราก็อาจจะเสียใจได้ยิ่นถ้าเราอยากจะให้แล้วมีความสุขได้บุญจริงๆเราไม่ต้องหวังผลตอบแทนจากบุคคลที่เราให้ ให้เราก็ให้ไปเขาจะรับหรือไม่รับเขาจะ อ, าอะไรก็เรื่องของเขาไปเขาจะตอบแทนบุญคุณเราหรือไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจสนใจว่าเราได้ให้สิ่งที่ดีกับเขาไปแล้วเช่นความรู้เกี่ยวกับการรักษาดูแลร่างกายเราก็เรียกว่าวิทยาทานให้วิทยาทานก็ได้ให้ธรรมทานก็ได้ให้วัตถุทานก็ได้ให้แล้วเราก็สบายใจ แต่ถ้าเราไปหวังผลตอบแทนเราอาจจะไม่สบายใจให้แล้วเขากลับไม่ขอบใจเราเขาไม่ว่เราหรือไม่ทำอะไรที่เราอยากให้เขาทำถ้าเราอยากจะได้ของตอบแทนนี่ไม่ถือว่าเป็นการทำบุญถือว่าเป็นการซื้อขายเหมือนเราไปร้านเซเ่นเราเอาเงินให้เขาเขาก็ให้ของเราอันี่เป็นการแลกเปลี่ยนกันถ้าอยากจะได้บุญต้องให้แบบไม่ต้องการอะไรเป็นผลเป็นสิ่งตอบแทน ถ้าเศร้าหมอก็แสดงว่าเราผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเราหวังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้ตามที่เราหวังคําถามจากคุณพงษาเคยมีพระอาจารย์ท่านสอนว่าเวลาทําบุญไม่ควรอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะให้เท่าไหร่เขาไม่รู้จักพอผมยังสงสัยในข้อเท็จจริงนี้อยู่ครับถ้าเจอเจ้ากรรมนายเวรเราก็ทําดีกับเขา เช่นคนที่เขาเกลียดเราเนะี่ยเราก็ซื้อของขวัญมาให้เขาในวันปีใหม่วันเกิดทําดีกับเขาบ่อยๆใจที่โหดร้ายกับเราก็อาจจะเบาลงอ่อนลงได้แต่ถ้าเขาไม่อ่อนไม่เบาก็เรื่องของเขาอย่างน้อยเราก็ทําหน้าที่ของเราไปแต่เราอย่าไปหวังก็แล้วกันเพราะว่าบางทีเขาต้อง ป่าเขาจะหายโกรธเราเนี่ยก็ต้องทำร้ายเราซะก่อนอย่างนี้ mm. ก็ต้องให้เขาทำร้ายเราไปพอเขาทำร้ายเราแล้วเขาก็จะหายโกรธเขาก็จะไม่เลิกเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราต่อไป mm. แต่ถ้าเราทำความดีให้เขาได้ก็ทำไปความดีนี้อาจจะชนะความโกรธเกลียดของเขาก็ได้แลวทำให้แทนที่เขาจะเป็นศัตรูกับกลายมาเป็นมิตรกันก็ได้ mm. เช่นถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเรายื่นมือไปช่วยเหลือเขาโดยไม่ถือสาว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายเขาทุกข์ยากลาบากก็ยื่นมือไปช่วยเหลือเขาก็อาจจะทำให้เขาเห็นบุญคุณของเราเห็นความดีของเราก็อาจจะทำให้เขาเลิกจองเวรจองกรรมเราก็ได้คาถามจากคุณส น, นั่น ถามว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่พระส่งบางส่วนออกมาเรียกร้องให้บัญญัติไว้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยเหมาะสมหรือไม่ครับพระคุณเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่ของพระะหน้าที่ของพระคือศึกษาปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วก็ไปเผยแผ่สั่งสอนคนต่อไป ถ้าคนาเขามีศรัทธาเขาเขารบเขาก็จะถือเป็นศาสนาไปเองไม่ต้องไปเขียนในในกระดาษให้มันเสียเวลาหรอกเขียนไปก็เท่านั้นคนเดี๋ยวนี้คนไทยได้บอกเป็นพุทธนี่พุทธจริงหรือเปล่าหรือพุทธในทะเบียนอ่พุทธแต่ยังกินเหล้ากันยังเล่นการพนันกันยังเสพอบายยังมุกกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นพุทธเขียนไปก็เสียเวลาเปล่า ดังนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะไปบอกทางบ้านทางเมืองให้เขาทำอะไรนอกจากทางบ้านทางเมืองเขามาขอปรึกษาก็ให้ความรู้กับเขาไปได้แนะนาเขาได้ถ้าเขามาถามแต่เราไม่ควรที่จะเป็นเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไปสอนไปบอกญาติโยมให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องของญาติโยมพระเรามีหน้าที่เพียงแต่ดูแลพระเราด้วยกันให้อยู่ใน กดในระเบียบให้เรียบร้อยให้น่ารักน่านับถืส่วนบ้านเมืองจะเอากันอย่างไรมันเรื่องของบ้านเมืองไม่เกี่ยวคำถามจากคุณพัชระนัดตอนนี้ปฏิบัติกรรมฐานแบบพองหน่อยยุบหน่อยอยู่รู้สึกว่าไปได้ดีอยากทราบว่าควรลองหันมาหัดทำแบบภาวนาพุทโธบ้างได้หรือเปล่าหรือควรยึดมั่นทำแบบเดียว ถ้ามันไปดีก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนมันใช้ได้เหมือนกันเป้าหมายอันเดียวกันคือให้ใจสงบเป็นสมาธิพุทโธก็ใจก็สงบเป็นสมาธิยุบหนอพองหนอใจก็สงบเป็นสมาธิเหมือนกันอย่างนั้นถ้าเราชํานาญถนัดทางไหนก็ใช้ทางนั้นไปอย่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวอาจจะ <c oughs> ไม่ได้ผลแล้วเดี๋ยวจะสับสนแล้วเดี๋ยวจะไม่มั่นใจในการปฏิบัติ อย่างถ้าเราปฏิบัติดีอยู่แล้วก็ปฏิบัติต่อไปเอาคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณปวินธนาคนที่อ่อนน้อมไปลามาไหว้ผู้ที่สูงอายุกว่าตนแต่ก็ชอบโกหกเป็นประจำเช่นโกหกเพื่อไปเที่ยวกินเหล้ากับคนที่แข่งกระด้างไม่ชอบยกมือไหว้แต่ชอบพูดจาตรงไปถ้าไม่ดีก็ว่าตรงหน้าเลยไม่ชอบโกหก คนแบบไหนที่จัดว่าดีคะที่เราควรเมตตากับเขาก็ดีคนละอย่างเลคนหนึ่งดีด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนคนหนึ่งดีอดีด้วยความอะไรที่ซื่อสัตย์ไม่โกหกมันก็ดีนะส่วนดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีเราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าอันไหนมันมีคุณค่ากว่ากันเอก็เท่านั้นนะ คนเราจึงบอกว่ามันไม่ใช่ชั่วไปทั้งหมดไม่ใช่ดีไปทั้งหมดนะ <Yeah. S 1> งั้นเวลาใครเขาไม่ดีก็คิดถึงส่วนที่ดีบ้างมัน <Yeah. S 1> จะได้ทําให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจน <Yeah. S 1> คนบางคน <Yeah. S 1> ชั่ว <Yeah. S 1> ไม่ดีก็มางคิดถึงส่วนที่ดีคนที่ดีก็คิดถึงส่วนที่ไม่ดีบ้างเราจะได้ไม่ไปหลงคิดว่าเขาดีไปหมด yeah. Yeah. น ะ, นะก็คือเรื่องของคนเรายกเว้นพระพุทธเจ้าพระหลานเท่านั้นะ ที่จะหาความชั่วไม่เจอหาความชั่วในตัวท่านไม่มีในตัวของพระพุทธเจ้าพระหลานนี้มีแต่ความดีเพียงอย่างเดียวถ้านอกนั้นแล้วมันยังต้องมีความชั่วบ้างไม่มาก ก, น ก, ก, ก็น้อยเล็กๆน้อยๆยแม้แต่พระสวดาบรรฑ์พรกิรดาคามีพระนาคา ม, าคามีก็ยังมีส่วนยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดกิเลสคนที่จะหมดกิเลสร้อยเปอร์เซ็นตก็คือพระพุทธเจ้ากับพระหลานตสาวกเท่านั้น